แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตจัดต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่17มาค่ะบูชาพุทธศักราช2554หัวข้อที่ตั้งให้พูดวันนี้ว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญมากและสำหรับพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยพิจารณาง่ายๆแค่เรื่องคมภีก่อน พระไตรปิฎกเป็นคำภีชั้นต้นหรือชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ถือว่าบรรจุพุทธพจน์เพียงแค่คำภีชั้นหนึ่งนี้ก็มากมายตั้งสี่สิบห้าเล่มหรือที่พูดกันว่า 84,000 พันพระธรรมขันเราจะจับแก่นได้อย่างไรแก่นแท้อยู่ตรงไหนและความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแก่นแท้นั้นจะตรงกันหรือไม่ หัวใจพุทธศาสนาคืออะไรว่ากันไปนหลายอย่างถูกทั้งนั้นอันไหนก็ได้ก็ดีเมื่อวานเป็นวันมาฆบูชาก็ชวนให้นึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาเพราะว่าวันมาฆบูชานั้นชาวพุทธจำกันมาว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการที่เรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคาไทย ที่เราพูดกันง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือโอวาทาปาติโมกเมื่อพูดถึงคำว่าแก่นก็ใกล้กับคำว่าหัวใจแล้วเราได้พูดถึงหัวใจพระพุท ธ, ธศาสนากันมาเมื่อวานจึงขอนำมาทบทวนกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจับเอาคำสอนที่เรายึดถือกันว่าเป็นหัวใจพระพุท ธ, ธศาสนามาว่าเป็นแกนแท้ในที่นี้ แต่เรียกว่าเอามาเป็นอารามพบดเพราะในไหนเมื่อวานนี้เป็นวันที่เราได้ฟังเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนามาแล้วก็เอามาทบทวนกันดูหลักที่เราถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือคำไทยที่สรุปพุทธพจน์ง่ายๆสั้นๆว่าเว้นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ภาษาพระหรือภาษาบาลีว่าสัพปาปัสสะอาการะนัง อุศละสูปสัมปทาสั จ, จิตตปริโยธา ป, ปนังเอตังพุทธานศาสนังแปลให้เต็มเลยว่าการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําความดีให้เพียรพร้อมการชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคําลงท้ายว่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำให้เราคิดว่านี่แหละ เป็นคำสรุปแสดงว่าเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่เราก็เลยเรียกว่าหัวใจนี่ว่าตามเรื่องวันมาคบูชาเอามาเป็นจุดเริ่มต้นแต่กรนั้นชาวพุทธผู้ได้ยินได้ฟังพระสอนมามากๆบางทีก็ได้ยินพระอาจารย์หรือพระเทระผู้ใหญ่บางท่านพูดถึงหลักการอื่นว่าอันนน์สิอันนี้ ส, นนสิเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เมื่อได้ฟังอย่างนั้นบางทีโยมก็ชักงงจึงขอยกเอาเรื่องนี้มาพูดเสียในตอนปรารภนี้ว่าอะไรกันแน่ที่เรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาบางท่านบอกว่าอริยสัจสี่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจากกับประวัตินสูตรพระองค์ตรัสพุทธพจน์ตอนหนึ่งมีความว่าตราบใดที่เรายังไม่มียานัทนะที่มีต่อปริวัติสมีอาการส2องในอริยาสัจสี่เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าได้ตรัสรู้ต่อเมื่อเรามียานัทสนะนั้นจึงปฏิญาณได้ว่าตรัสรู้หมายความว่าตรัสรู้อริยาสัจสี่ครบสามด้าน คือทั้งรู้ว่าคืออะไรเรารู้ว่าหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละอย่างนั้นคืออะไรล้วรู้ว่าได้ทำหน้าที่ต่ออริยสัจนั้นแล้วเวียนไปในทุกข้อเรียกว่าสามปริวัตรอธิบายว่ารู้ในอริยสัจสี่แต่ละอย่างเริ่มตั้งแต่รู้ว่าทุกคืออะไรรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อทุก แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกนั้นเราได้ทำแล้วและต่อไปในข้อสมุทยัยนิโรธมรรคก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่รู้อริยศัสตร์ด้วยยาณทัศนะครบทั้งสมในแต่ละอย่างรวมทั้งหมดเป็นส2องเรียกว่ามีอาการส2องก็ยังไม่สามารถปฏิยานได้ว่าได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะต่อเมื่อได้ตรัสรู้อริยศสตร์ โดยมีญาณในอริยศัสตร์แต่ละข้อครบทั้งสรวมเป็นส2องจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอุทธพธนี้มาในพระธรรมจักกับปวัตนนสูตรจึงทำให้กำหนดเอาว่านี่แหละคือตัวหลักใหญ่ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านที่สวดธรรมจักได้คงนึกบาลีออกว่า ยาวะกิวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุรัชการที่หกทรงมีงานพระราชนิพนธ์เล่มหนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งก็ทรงจับเอาที่จุดนี้คืออริยสัจสี่เป็นอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่และการตรัสรู้อริยสัจสี่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่ จึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาบางท่านไปจับเอาที่พระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้กระทัดรัดมากว่าอุเพจหังพิขเวเอตะระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัศะจะนิโรธังภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและบัดนี้เราบัญญัติแต่ทุกข และความดับทุกเท่านั้นถ้าจากตรงนี้ก็แสดงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งหมดนั้นหลักการของพระพุทธศาสนาก็มีเท่านี้คือทุกและความดับทุก์ท่านพุทธทาสกล่าวถึงหลักอีกข้อหนึ่งให้ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาคือสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ แปลว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นคำว่านาลังแปลว่าไม่ควรหรือไม่อาจไม่สามารถคำว่าไม่ควรในที่นี้หมายความว่าเราไม่อาจไปยึดมั่นถือมั่นได้เพราะมันจะไม่เป็นไปตามใจเราแน่นอนเมื่อมันไม่อาจจะยึดมัน่นเราก็ไม่ควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ท่านก็ว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ทำให้เรามาสงสัยกันว่าจะเอาหลักไหนดีเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็เลยขอให้ความเห็นว่าอันไหนก็ได้